ก็จะนั่นแหละก็คือประกอบสติปัฏฐานกันอยู่นั่นเองเพราะสติปัฏฐานเนี่ยจะตั้งอยู่บนสุจริตสามสุจริตสามก็จะตั้งอยู่บนอินทรีสังวรอินทรีสังวรก็จะตั้งอยู่ปฏิโมกสังวรศีลใช่ไหมปฏิโมกสังวรศีลก็จะตั้งอยู่บนจารีจารีศีนอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็มองอ๋อไงจริงๆว่าบางครั้งเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ามากล่าวอย่างนี้ หลายๆคนเขาก็ปฏิเสธเราก็ดูมเลยบอกเอ๊ะอะไรสติปัฏฐานไม่มีกายเยกายานุปสัสสิวิหะติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวิรยิยะโลกเกอภพิชาโทมนาสังไม่มีคำนี้สักทีเลยแล้วท่านมากก่าวไปสติปานมันก็เลยเป็นเรื่องเลยเนี่ย ก, ก็เป็นอย่างเงี้ยสติปัฏฐานมั น, มนพัฒนาไปไกลแล้วตัวนี้ทีนี้ถ้ามองในด้านของทางด้านของทานนะกุศล น, นะ ทานกุศลก็คือว่าลักษณะของเจตนาทานเป็นต้นที่เป็นไปกับกุศลธรรมทั้งหมดที่จะมีการเคลื่อนกระบวนการของนี่จะทำให้ทานใกุศลเดินเนี่ยเขาก็จะทําลายความโลภดังกล่าวแต่จริงๆแล้วโทสะก็ถูกทําลายด้ว ย, ยแล้วก็มีความสมบูรณ์หนึ่งพบชาติความสิ้นหนึ่งพบชาติเป็นอาการปรากฏก็ศรัทธาที่มีความเลื่อมใสเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นนั่นแหละเป็นพธาฐานเป็นเหตุใกล้บ่ ทำที่ถูกทานนกุศลประหารคือโลภะเป็นต้นด้วยทำที่ได้รับอนุญาตจากทานนกุศลให้เกิดขึ้นเบื้องต้นก็คืออโลภะก็สังเกตตรงเนี้นะว่าอโลภะจะเด่นขึ้นความไม่โลภความไม่โลภในในวัตถุสิ่งของต่างๆเหล่านี้ก็จะชัดเจนขึ้นแม้ความไม่โลภเด่นขึ้นจริงแม้ความไม่โกรธก็ถูกคลายตัวด้วยเพราะตะหนีถูกทําลายไปด้นั่นเลยอย่าลืมนะว่าโทสะอิสาเมฉริยะกุกุจ่าเนี่ย เมื่อตัวมัชชริยะถูกทำลายถูกทุบอยู่ตลอดเวลาในสภาพของโทสาก็อ่อนแรงใช่ไหมเราก็สังเกตได้ว่าทําไมเราเดินทานอากุศลไปตั้งนานแล้วทาไมโทส่ายิ่งพุ่งปี๊ดกว่าเดิมเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องสังเกตแล้วว่าทําไมทานกุศลเรามันออกฤทธิ์ออกเดชผิดท่าใช่ไหมแทนที่จะไปทําลายอากุศลแธรรมกับกายให้อกุศลธรรมมาครอบงำซะอีกอันนี้ก็เป็นไปกับการที่ทานนั้นยังไม่แข็งแรงก็ต้องแกไ้แกไขต้องแก้ไขตรงนี้ใช่ไหม และอีกอย่างหนึ่งก็คือจะให้เห็นชัดก็คือว่าเมื่อเมือมอม่ออโทสเด่นเมื่ออโลภาสเด่นขึ้นเมื่ออะโทสนั้นชัดเจนขึ้นน่ยสภาพต่อไปก็คือว่าเจตนาทานนั้นเป้าหมายคือต้องการทําให้ปัญญานั้นชัดขึ้นที่จะได้ไปเข้าใจกรรมไม่ชัดไอ้อคำว่าเข้าใจกุศลชัดเนี่ยพอเวลากรณีาการสละทานมาตั้งนานก็ยังไม่เห็นความชัดเจนของกุศลที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยสภาพของกุศลที่มีการเด่นขึ้นชัดขึ้นในสภาพจิตใจที่สะอาด หมดจดเกิดขึ้นมานะที่จะเป็นไปกับกายวาจาก็สะอาดด้วยเพราะมาจากการฟังทานนักขาอย่างต่อเนื่องหรือฟังเรื่องทานมาอย่างต่อเนื่องมีความเข้าใจด้วยตอนนี้เราขับเน้นในด้านของกลุ่มนามธรรมอยู่เมื่อนามธรรมมีความเข้าใจต่อไปท่านจะไปแยกแยะตัววัตถุตามที่พระพโพธิสัตว์ท่านทำหรือพระพุทธเจ้าวางหลักไว้เนี่ยต่อไปท่านจะไปแยกแยะรายละเอียดของวัตถุ ว่าให้วัตถุชิ้นนี้เป็นปัจจัยอย่างไรอย่างไรอย่างไรเป็นต้นท่านจะแจกแจงรายละเอียดของวัตถุที่ให้แล้วการตั้งวางจิตใจกับวัตถุนั้นการสละนั้นเป็นต้นเหล่านี้นะที่จะเป็นอันนางปานังคลังวัดถังเป็นต้นแล้วจะมาแยกเป็นให้สีเป็นทานให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสให้ทำมารมณ์เป็นทานเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็มาแยกเป็นรายละเอียดในการสละในการให้เพราะการให้แต่ละอย่างนั้นมีเป้าหมายในการที่จะเป็นปัจจัยอีกมากมาย อย่างเมื่อวานนี้พูดเรื่องการให้น้ําเป็นทานเพื่อชําระล้างกิเลสของสัตว์ทั้งหลายอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นหรือหรื อ, ห ร, อหรือการที่ท่านตั้งอธิยาไสาในการสละในการให้หรือยกตัวอย่างเช่นกาลาทานเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูว่าทําไมเราได้อะไรไม่ค่อยเหมาะแก่การใช่ไหมเราก็จะได้เห็นว่าการที่ควรได้เราก็ไม่ได้แต่บางท่านนั้นเกิดมาทั้งปถมวัยมาฉี่มวัยปัดฉีมวัย ถ้าดูในชั้นของคำสอนเนี่ยนะในในในสูตรในการลาทานเนี่ยนะจะเห็นว่ามีอยู่ห้าหรือหประการที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าการราทานห้าประการห้าประการเป็นฉไนาทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนหนึ่งนี่นะให้ทานต่อ น, นี่คือว่าเมื่อเห็นผู้มาสู่ถิ่นของตนไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรือบาสิกามาแล้วก็ให้ทานประการต่อมาทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปหนึ่งใช่ไหมมันเหมาะสมแก่การเขาจะเดินทางก็ให้ของที่เหมาะสมแก่การที่บุคคลเหล่านั้นจักเดินทางทายกย่อมให้ทานในสมัยข้าวแพงหนึ่งใช่ไหมตอนข้าวยากหมักแพงก็รู้จักที่จะให้ทานในยุคนั้นเพราะเหมกกาะแก่การเหมกกาะแก่สมัยเพราะคนอดอยากเว้นต์เตอรเหล่านี้ ถ้ายกย่อมให้ทานแก่ผู้มีศีลหนึ่งเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นสมัยแก่การที่เราจะประกอบทานเนื้อคุณ้าเป็นผู้มีศีลเป็นทักขินายาบุคคลและเป็นบุคคลที่ให้ทานแก่ผู้มีศีลใช่ไหถ้ายกย่อมให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลแปลมีหน้าฤดูการผลไม้ใหม่ออกมาแล้วก็น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเหรอเนี่ยนะดูกรพภิกษุทั้งหลายการทานหประการนี้แลผู้มีปัญญาเห็นไหม ผู้มีปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงมีกรรมสกตาสมาธิถี่เป็นต้นเนี่ยรู้กรรมและรู้ผลของการกระทําดีรู้ความประสงค์ปราศจากความตนีย่อมให้ทานในการที่ควรให้เพราะผู้ให้ทานตามการในพระรยเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้มีใจคงที่เป็นผู้มีจิตผ่องใสทักษินาทานจึงมีผลอันไพ่บูร ชนเหล่าใดย่อมอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักษิณาทานนั้นเห็นไหมหนึ่งผู้มีปัญญาทั้งหลายนี่นะท่านก็คิดถึงท่านบอกว่าการทานในพระริยิเจ้าผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้มีใจคงที่เป็นผู้มีใจผ่องใสทักษิณาทานจึงมีผลอันไพูบุ์ถ้าเราบูชาพระรัตนตรยัยบูชาพทธเจ้าพระธรรมแล้วก็สาวกของพระเจ้าเป็นต้นซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเหล่านี้ทักษินานั้นมีผลไพูบุ์ ชนเหล่าใดแปลว่าบุคคลอื่นนะย่อมอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักษินาทานนั้นเห็นไหมอนุโมทนาด้วยแล้วก็มีการช่วยเหลือขนขวายต่อบุคคลที่กำลังทำทักษินาทานนั้นด้วยทักษินาทานนั้นย่อมให้ย่อมไม่มีผลบกพร่องเพราะการอนุโมทนาหรือการช่วยเหลือนั้นแม้พวกที่อนุโมทนาหรือช่วยเหลือย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ ม, มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากแล้วก็บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปารโลกถามว่าในสังสารวัฏข้างหน้าเนี่ยบุญจะเป็นที่พึ่งนะบาปจะเป็นตัวเบียดเบียนนะบุญจะเป็นที่พึ่งทีนี้ถ้ามองถึงในด้านของการาะทานเนี่ยนะเราจะสังเกตว่าทาไมพระ ัญญาโกนัญญาจึงได้บรรลุก่อนเ ข, เข้าใจคําว่าการลทานนี่ยังแล้วทําไมเราจึงได้ไม่ได้บรรลุเพราะเราไม่มีการลทานเหมือนท่านัญญาโกนัญญาแล้วก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมการลทานจึงสําคัญทําไมในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราจึงไม่พบพระพุทธเจ้าเราจะเห็นความขาดวินของการลทานหรือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ย อายบอลทำไมขอขอไม่อขอไ ม, ม่นีน่ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเร่งการละทานเนี่ยยมมีลายลายย่อยๆอ่อาเจ้าค่ะจะเรียนถามอย่างเช่นเรานั่งทานอาหารอยู่ในร้านอาหารเนี่ยพอเห็นพระเข้ามาเนี่ยเราก็จัดการอาหารถวายท่า น, นอันนี้ถือว่าเป็นการลทานไหมเจ้าค่ะเป็นมาถึงแล้ว ตลอดพูมัมาถึ ง, าาถงใช่ เ, เลยบลนั่นแหละเป็นการราทานมีมีมีผลไม้ใหม่ข้าวใหม่มีอย่างเนียรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่นั่นในรายละเอียดของทานนกะุศลเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนเอามายังนึกไม่ทราบว่ายอมอิงการเธอ ได้เคยดูสูตรเหล่านี้จนรายละเอียดทั้งหมดหรือยังแต่ที่สังเกตก็คือว่ายามที่มีใครตกทุกข์ได้ยากเธอจะรู้สึกทุกข์ใจคําว่าทุกข์ใจที น, นี้ไม่ใช่ทุกข์ในโทมนัท น, นะแต่ทุกข์ใจรู้สึกว่าเอ๊ะจะต้องรีบขวนขวายต้องรีบช่วยและจะบอกว่าไม่ได้วันเดียวเขาก็หนาวพอแล้วเดินลงเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดเนี่ยไหมอันนี้ต้องมองว่าเออนีอันนี้เป็นกาลาทานนะเป็นกาลาทานในยามเข้ายากหมากแพง เนี่ยในายามข้าวยากมากแพงไม่ใช่มานั่งชื่นชมกันนะแต่พาะเห็นจุดดีนะแต่จุดไม่ดีออกมาก็ต้องบอกว่าจุดนี้ไม่ดีต้องแก้ไขเหมือนกันนะนะแต่พูดให้เห็นว่านี่เนี่ยเป็นการลทานในการลทานอย่าลืมนะว่าการลทานเหล่านี้ยมีผลที่ไพ่บูรณ์มีผลที่ไพ่บูรณ์นะมีผลที่ไพ่บูรณ์ก็หมายความว่ามีผลไพบูรณ์ต่อผู้ที่ช่วยคนขวายด้วยต่อผู้ร่วมอนุโมทนาด้วยใช่ไหม ผู้ร่วมมาทุโมทนาด้วยผู้ร่วมค้นขวายช่วยเหลือด้วยนีนี่ก็ต้องดูรายละเอียดเพราะในรายละเอียดของการลาทานเนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเยอะมากข้อที่โยมว่าสําคัญมากๆพอทำไ ด, ได้คือการที่ท่านอาจารย์ใช้คําว่าการตกแต่งจิตประดับจิตเนีฮะเป็นข้อที่สําคัญมากมเพราะว่าจะเป็นส่วนที่จะ คุ้มครองเราตลอดการเดินทางที่ยังต้องเดินทางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่รักษาอันเรียกว่าธาตุเทียมนะคะมันไม่ยังยังเรียกว่าเรายังไม่ได้มรรคกรรมยังไม่มั่นคง แ, บบนแต่เป็นการรักษาคุ้มครองเราในการเดินทางแต่ละภพชาติที่เราบางครั้งอาจจะไม่พระพุทธเจ้าแต่การทําด้วยความเข้าใจการรู้ชัดเนี่ยถึงสําคัญนะคะแล้วก็การทําด้วยความ เข้าใจและเพื่อความตกแต่งจิตเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคุ้มครองซึ่งโยงไม่ได้เปรียบถึงว่าไปที่เทียบกับพระโตองนะคะแต่การกระทำของพระพองค์เป็นตัวอย่างเพื่อให้การแม้กระทั่งเมื่อเป็นเดาชานก็ต้องรักได้ค่ะต้องทำให้ได้ในขณะนั้นแล้วถึงจะเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองเราค่อนข้าง ให้ความปลอดภัยเราได้ในระดับพอสมควรเพราะจริงๆประเด็นตรงนี้ถ้าเราดูในทานกระถาทั้งหมดนะประมวลในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยนะเท่าที่พอจะจำจำได้นี่เนะี่จะเห็นชัดคือท่านจะขับเน้นการประดับตกแต่งจิตทุกสูตรเลยทุกสูตรเลยทุกสูตรทุกคำสอนจะลงประดับตกแต่งจิต คำว่าประดับตกแต่งจิตเป้าหมายคือทําสมถาวิปั ส, สนาให้เกิดนั่นเองแต่ว่าเป้าหมายก็คือว่าที่อามากล่าวเมื่อวานที่พยายามจะบอกว่าใช้เจตนาอย่างไรที่จะกระตุ้นทำใช้มนสิกานอย่างไรที่จะกระตุ้นทำใช้วิตกอย่างไรที่จะยกสัมมยุท ธ, ธรรมนั่นแหละที่จะเกี่ยวกันในเรื่องก็ว่าจะทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นนะั่นก็คือพยายามอยากจะให้มองประเด็นเพื่อจะประดับตกแต่งจิตยังไงเพื่อให้มีความแข็งแรงเพราะทุกวันนี้นะ บางทีเราเดินทานศีลภาวนากันเราลืมข้อที่พระาศาสดาขับเน้นซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในพระสูตรในถ้า8ถ้าเจดถ้ามีนี่พระสูตรอยู่หมวด6หมวด7หมวด8พระองค์จะเาไว้ข้อสุดท้ายหมดเลยการประดับตกแต่งจิตนี่นะจะไว้ข้อสุดท้ายที่จะให้มองเห็นว่าเออการประดับตกแต่งจิตที่เป็นไปกับศีลเป็นไปกับสมถะเป็นไปกับวิปัสนาโดยโดยโด ย, โดยหลักตรงนั้นเนี่ยสำคัญ เพราะสำคัญว่าถ้าถ้าไม่สามารถประดับตกแต่งจิตให้เป็นไป ก, กุศลได้อย่างต่อเนื่องได้เป็นไปอย่างยาวนานหรือว่าเป็นไปอย่างสูงส่งเพราะสังสารวัตรมันก็มันก็พลาดได้จริงๆริงาเบิทียบเคียงสิ่งอย่างนี้นะฮะในเรื่องเนี่ย แท้จริงเนี่ยผลโดยตรงคือในตัวนามธรรมนะคะยมเปรียบเหมือนกับการปลู ก, ลกข้าวเนี่ยเราหวังเมล็ดด้วยข้าวเปลือกระหวังแท้จริงคือข้าวเปลือกนะเจ้าค่ะแต่ผลคือต้นข้าวและฟังข้าวนั่นอยู่ยมเปรียบเหมือนกับการได้อหตุกขา กุศลหรืออกุสมนิบาศนะคะเป้าหมายแท้จริงก็คือตัวขัดเกลาก็คือก็สภาพเป็นข้าวเปลือกที่สมบูรณ์และข้าวเปลือกก็ยังโยงใยไปได้เป็นพืชพันธุ์ที่จะรอเลี้ยงไปเรื่อยๆจากเมล็ดข้าวหนึ่งสู่ต้นข้าวอีกต้นหนึ่งและก็สู่ไปเรื่อยๆนะคะก็คือตัวนามธรรมา ท, ที่ขัดเกลาตกต่างจิตนั่นเองเจ้าค่ะส่วนผลของการที่ได้ทางทวานตาหูจมูกลินกายแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลเหมือนกับ ต้นข้าวหรือฟังข้าวั น, นเจ้าค่ะ oh, <yeah>, ตรงนี้ถ้ามองถึงขับเน้นถ้าถามว่าตัวนามธรรมนะตัวนามธรรมคือวิบากวิบากเขาโดยตรงเป็นนามผลเป็นรูปผลเป็นรูปธรรมแต่แต่ชาวพุทธที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยโดยมากให้ทานเนี่ยไปขับเน้นหวังผลเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมใช่ไหม ถ้าเรามองขับเน้นอย่างบางท่านที่พยายามชี้ประเด็นว่าเหมือนเราจะเจริญกุศลเนี่ยถ้าผลโดยอ้อมเนี่ยมันก็คือว่ามีบัณฑิตชื่นชมบ้างได้รับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเหล่านี้ในสิ่งที่ดีเป็นต้นบ้างแต่ถ้าโดยตรงจริงๆการประดับตกแต่งจิตจนสามารถพัฒนาจากจิตที่ไม่สะอาดเข้าถึงจิตที่สะอาดจิตที่ผ่องใสแล้วสามารถประดับอยู่กับศีลประดับอยู่กับสมาธิประดับอยู่กับปัญญา มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิแวดล้อมอย่างตั้งมั่นอย่างยาวนานได้และพัฒนาจากโลกิยธรรมเข้าถึงโลกุตละธรรมได้เป็นต้นเหล่านี้เป้าหมายจริงๆมันอยู่ตรงนี้งไงการที่จะประดับตกแต่งจิตนั้นนะ่ะมันเรื่องการขัดเกลาตัวเองโดยแท้เลยอะ่ะเป็นเรื่องการพัฒนาในการที่จะประดับเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาประชุมในกระแสะจิตอย่างไรจะยกจิตอย่างไงพัฒนาจิตอย่างไร จากการที่ว่ายังไม่ค่อยคล่องแคล่วในกุศลให้เกิดความคล่องแคล่วให้เกิดความชมํชนานิชานาญมากขึ้นนักเข้าไม่ใช่ชํานาญเฉพาะแต่การที่ไปอยู่ในสถานที่หลีกเล้นเท่านั้นเนียแม้ออกมาจากที่ต่างๆเหลา่านี้ไปไปเห็นหรือเกี่ยวข้องกับสีเสียงกิตรสสัมผัสก็ยังสามารถเดินกุศลได้อย่างแข็งแรงเพราะความที่ประดับตกแต่งจิตฝึกจิตมาดีแล้วตรงเนี้ยฝึกจิตมาดีแล้ว ซึ่งตอนนี้หลายๆท่านยังอ่อนแอก็มีนะแต่บางหลายๆท่านก็แข็งแรงบ้างใช่ไหมเมื่อม า, มาฟังธรรมนี่ดูจิตก็เป็นไปกกุศลพอสมควรนะแต่พอหยุดจากการฟังธรรมเนะี่ยจิตก็ถูกอกุศลเข้ามาครอบงามตามเคยอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นว่านี่สภาพการประดับตกแต่งจิตนั้นยังไม่ถึงขั้นยังไม่แข็งแรงพอแต่ถ้าใครประดับตกแต่งจิตเนี่ยจนเป็นไปกทานกุศลศีลกุศลนุภาวนากุศลจนแข็งแรงเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย แม้จกไปนะที่ไหนเนี่ยอัธยาศัยนั้นก็ชัดเจนแล้วก็เร็วเหมือนกับพระโพะธิสัตว์สังเกตดูที่มีแรงกระตุ้นนิดเดียวก็กลับเนื้อกลับใจได้เร็วมากเราจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมบางทีขาขนาดมีคนขอร้องห้ามแล้วห้ามอีกมันทำไมแถป๊บแป๊ป๊บไปทั่วบงเดียจะมาเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเลยชีวิตของเราหลายหท่านเนี่ยเหมือนเราอยู่ต่อหน้าพ่อหน้าแม่ใช่ไหมบางทีแม่ตําหนิเราเราก็ไม่ฟังพ่อฟังแม่นะใช่ไหม ทั้งๆ ท, ท, ที่พ่อแม่เตือนถูกด้วยเนะี่ยเราก็ไม่เอาเราก็จะดันของเราเพราะเพาะสมเด็กๆจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดอ๋อนี่ไงจิตที่จิตที่ถูกเตือนก็ยังไม่ย้อนกลับแต่ถ้าโพสต์สัตว์่ไม่ต้องถูกเตือนด้วยคําพูดนะเพียงเห็นการกระทําก็สะเทือนใจแล้วท่านก็กลับตัวได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่าท่านประดับตกแต่งจิตของท่านแทบทุกพทุกชาติเลยใช่ไหม เหตุปัจจัยของท่านเพียงมีอะไรสะกิดนิดเดียวอย่าลืมนะถ้าสิ้นการพระบรมศ า, ศาสดาสิ่งเตือนเราจะเหลือ น, น้อยลงมีแต่จะชักนำให้เราเสียใช่ไหมถ้าสิ้น 5, ห้าพันปีให้สิ้นอีกสองพันกว่าปีเนี่ยตอนนี้เราจะหาบัณฑิตไม่เจอแล้วตอนนี้กลับมาเกิดในโลกใบนี้ก็ลุกเป็นไฟแล้วตอนนี้ก็ลุกเป็นไฟแล้วแล้วนานๆเราจะเจอคนดีสักนิดหนึ่งเราจะคิดออกไหมเนี่ย จิตที่เราประดับไว้แค่นี้จะคิดออกไหมก็ขนาดอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆเรายังคิดไม่ดีได้เลยใช่ั้ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปฝึกทาจิตให้มีการที่ท่านใช้ศัพท์ว่าอลังการะปริวาระทานังให้เครื่องประดับและเป็นบริวารของจิตเอาอะไรมาประดับทาอลังการะเนะี่ยเอาอะไรมาประดับดีถ้าหากว่าคนเราคนเราหน้าตาจะดีได้ไม่ดีได้ก็คือการประดับที่ดูดีนะ อย่าลืมนะว่าคนบ้าเขาก็ประดับแต่งตัวเ็เหมือนกันนะแต่มันดูดูหน้าขำไหมดูหน้าขำเราต้องไม่เอาอากุศลมาประดับงั้นคนอื่นเขาก็มองเราก็ขำเราเลยไหมขำเลยอะไรเนี่ยเอาเอามาไปเจอเนะยไปเจอเนียเออปลาดแท้คือเขาใส่หมวกกันน็อกด้วยใส่รองเท้าธรรมดา ค, คนก็ไม่รู้เขาไปได้ที่ไหนมานี่ะแล้วก็ ไอ้ที่หมนะ่มเนี่ยแปลวาจีวรพระมาห่มก็อีกโอ้โหไปใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ใเขาก็ประดับของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาประดับก็นี่เหมือนกันว่าการประดับผิดพลาดเหมือนกันว่าเราต้องเอากุกลุ่มกุศลกศลุ่มนามมาทำทั้งหลายมาประดับไม่ใช่เอาอกุศลไปประดับแล้วก็เป็นสำคัญว่าเราประดับดีแล้วการประดับเนี่ยดีหรือไม่ดีเขาให้บัณฑิตมองเขาให้ผู้รู้มองให้ผู้ได้จ้าเนี่ยมอง ว่าเนี่ยประดับถูกหรือยังใช้ศีลประดับไม่สมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องประดับปรุงแต่งจิตไหมใช่ไหมตรงนี้ก็เราศึกษาคำสอนก็จะเริ่มมองเห็นการประดับตกแต่งจิตพอดีโยมกินการพูดตรงนี้มาก็ทำให้ได้มุมแล้วก็ได้คิดตรงนี้มากขึ้นฉั้นในชั้นในชั้นคำสอนตรงนี้ก็จะได้เห็นเห็นว่าในการที่ว่าให้ทานเพื่อ สั่งสมความอยากด้วยความยำเกรงด้วยความละอายเกรงกลัวให้ทานเพราะไม่โดยไม่เหลือเศษให้ทานแก่ทักขินัยบุคคลหรือให้ทานเพื่ออิงสุขโสมนัสอย่างเดียวก็ยังไม่พอยังไม่พอแล้วบางครั้งก็ผิ ด, ผ, ดผิดพลาดพลาดไปใช่ั้ยแต่เป้าหมายคือประดับด้วยสมถะคือสามารถให้ทานแล้วสามารถเดินกระแสจิตเข้าไปสู่สมถะและ เป็นฐานของวิปัสสนาได้เมื่อไรฐานนั้นแหละคือเป้าหมายเป้าหมายของฐานการเดินฐานในกุศลไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ต่ำต่ำอย่างที่เพราะที่สุดจริงๆมันจะตกมาเพื่อเป็นอย่างนี้ตกมาเพื่อการเกิดในไบยภูมิและในมนุษย์สภูมิในเทวภูมิเป็นต้นใช่ไหมเพราะการไม่ได้ประดับตกแต่งจิตเราจึงไม่สามารถเดินออกจากสังสารวัฏเป็นต้นได้พระพระบรมศาสดาขับเน้นเรื่องเจตนาฐานทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็อะโลภาฐ า, านทั้งหลายนี่นะ แล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะทำให้น้ำมาทำทั้งหลายนะเป็นไปกับกุศลธรรม ท, ทั้งหลายเป้าหมายก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นในชั้นของคำสอนที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานแประการเป็นเชนไหนบางคนหวังหวังได้จึงให้ทานหนึ่งอง้บางคนให้ทานเพราะกลัวหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาได้ให้แก่เราแล้วหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน หบางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีก็เลยให้หนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหูงหากินเองได้คนเช่นนี้หูหากินเองไม่ได้เราหางหากินเองได้จักไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หูหากินเองไม่ได้จึงไม่ควรก็ให้หนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่า more more เมื่อเราได้ให้ทานแล้วกิตติศัพท์อันงามของเราก็จะฟุ้งไปแล้วเราก็จะได้สุขสมมานัทจากการได้รับเสียงชื่นชมยินดีทั้งหลายหนึ่ง ทั้งเจ็ดประการนี้เป็นการให้ทานที่วนมาเพื่ออยู่ในวตัตถะเนี่ยถ้าสรุปตรงนี้นแต่บางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตข้อสุดท้ายนี่แหละที่พุทธประสงค์ปรารถนาให้พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้ว่าทานมีหลายขั้นตอนเราท่านทั้งหลายต้องพัฒนาไปสู่การประดับตกแต่งปรุงแต่งจิตนี้ให้ได้ ถ้าสามารถประดับตกแต่งจิตในสมถะและวิปั ส, สนาได้เมื่อ ไ, รไหร่สมถะเนี่ยในด้านของจาคานุสติพัฒนานพัฒนาไปสู่สีลานุสติพุทธาธรรมาอะไรก็แล้วแต่นะนั่นแปลว่าใช้สมถะกำลังประดับปรุงแต่งจิตด้วยการสละด้วยการให้เพราะคนที่ให้เนี่ยเมื่อสละทานากุศลเป็นแล้วต่อไปเดินศีลกุศลก็จะสะดวกเนะเพราะว่าการสละการให้เหมือนกันแต่เป็นระดับมหาทานการให้ชีวิต ทานให้ชีวิตเป็นทานใช่ไหมการให้ความไม่เบียดเบียนในทรัพย์สินต่างๆเป็นต้นเหล่านี้อันนี้มามาจากตัวกุศลศีลเพราะทานทำจิตให้อ่อนโยนบุคคลผู้ให้ทานย่อมมีจิตอ่อนโยนดีว่าเราได้ให้ทานแม้บุคคลผู้ให้ทานนั้นก็ย่อมมีจิตอ่อนโยนนะเราได้ให้ทานแล้วเพราะฉะนั้นทานนั้นชื่อว่าย่อมทาจิตทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับก็อ่อนโยนเป็นต้นด้วย ตรงนี้จะถามว่าการประดับตกแต่งจิตปุุงแต่งจิตเนี่ยท่านใช้คำว่าการให้ทานเป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกการไม่ให้ทานเป็นเครื่องประทุษรายจิตที่ฝึกแล้วชนทั้งหลายมีจิตอ่อนโยนและน้อมลงด้วยปิยาวาจาเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ท่านหมายความบอกว่าการประดับตกแต่งจิตเนี่ยก็คือว่าการให้ทานสังเกตว่าจิตอ่อนโยนขึ้นไหมถูกประดับตกแต่งขึ้น สามารถที่จะเดินระดับศีลระดับสมถะระดับวิปัสนาได้คล่องแคล่วขึ้นอันนี้แปลว่าจิตนั้นนะ่ะถูกทานนกุศลนขัดเกลารแล้วประดับตกแต่งแล้วเป็นต้นเหล่านี้นั้นเป้าหมายของทานนกุศลต้องเป็นไปในลักษณะเพื่อประดับแล้วก็ตกแต่งปรุงแต่งจิตเพื่อให้เข้าถึงสมถะแล้วก็เป็นปัจจัยแก่วิปัสนาตรงนี้ก็ไปดูในเอกนิบาตนะอังคุตรนิกายเอกนิบาตเราเปรียบเทียบ ที่พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายทําอย่างหนึ่งที่บุคคลจเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตัดสู้เป็นไปเพื่อปณิธานเป็นต้นไหมทาอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรคือท่านจะบอกอานิสงส์เ็ประการเหมือนกันนี่มาอาจจะจําได้ไม่หมดเนี่นะทําอย่างหนึ่งในที่นั้นก็มีพุทธานุสติเป็นต้นจนถึงจารานุสติเห็นไหมทําอย่างหนึ่งที่บุคคลจเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความตัดสรูปนื้ย่อมเป็นไปเพื่อความหนายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกําหนัดโดยความส่วนเดียวเป็นต้นนะที่จริงเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ก่อนเหมือนในสงของสติปัฏฐาน7ประการแต่ขับเน้นคนละอย่างย่อมเป็นไปเพื่อความหนายโดยส่วนเดียวย่อมเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดโดยส่วนเดียวเป็นต้นแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความราราคาโทรศัพท์เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตัดสรู้เป็นไปเพื่อปริญญนิพานทําอย่างหนึ่งนั่นคือจาคานุสติเนี่ยนี้คือประดับแน่นอน ฉการให้ทานไปเพื่ออะไรถ้าละราคะได้ละโลภะได้ก็ต้องไหนใช่ไหมเมื่อโลภะละได้แปลว่าอโลภะเด่นเพราะโลภะเด่นขึ้นมาเนี่ยแปลว่าอะไรระดับทานระดับศีลขึ้นมาแล้วระดับทานกนุศลศีลกุศลขึ้นมาแล้วเพื่อจะก้าวสู่ภาวนากนุศลการจะก้าวสู่ภาวนากุศลเป็นต้นได้ก็เริ่มหนายอะไรการสละวัตถุทานเพราะอะไรทําไมพระโสดาบันเนี่ยทำไมพระโสดาบันจึงละมัจฉริยะได้ ยอมพิชยาตอบได้ไั้มเพราะพระโสดาบันมีมีอะไรรู้ไหมมียถาผูดยานทัศนะคือปัญญาที่ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงพระโสดาบันเข้าใจยงไงว่าปรมาตร์และบัญญตัติเนี่ยชัดเธอเข้าใจเออพระโสดาบันทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าใจดินน้ำไฟลมสีกินลนรสโอชาธาตุเพราะท่านได้แทงตลอดมักสัจจะอริยสัจจะธรรมะกสัจจะให้เกิดขึ้น ฉะนั้นยานปัญญาของท่านจึงมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทรัพย์สมบัติที่สะชาวโลกสมมติกันก็คือดินน้ำไฟลมนั่นแหละมาเรียกเป็นตึกก็ได้เรียกเป็นรถก็ได้เรียกเป็นบ้านก็ได้ใช่ไหมเรียกเป็นบุตรบริวารต่างๆเหล่านี้อะไรอีกเยอะแยะเบ็ดเสร็จหมดเลยท่านก็สามารถที่แยกแยะเป็นวัตถุที่มีชีวิตมีวิญ ญ, ญาณคลองและไม่มีวิญ ญ, ญาณคลองทั้งหลายท่านเหล่านั้นจึงละมัจฉริยะไม่มีความต์หนีงงหงแหนเลยอย่างเราไม่สามารถจะมองได้นะว่าเพชรกับหินนั่นเดียวกันเนี่ย มันคนละอย่างกันเลยยังไงเพชรคือเพชรหินคือหินเลยนะใช่ไม่ใช่เรายังไม่สามารถแยกได้เลยแต่พระโสดาบันทั้งหลายท่านรู้ชัดตามความเป็นจริงใช่ไหมท่านแยกแยะปัญญายาณที่เป็นยถาภูเยา น, นทัศนธท่านเกิดขึ้นมาแต่ท่านเห็นว่าเมื่อมีค่าสําหรับมนุษย์ทั้งหลายท่านก็น้อมของมีค่าสละได้เพราะท่านเห็นโดยความเป็นดินน้ําไฟลมได้แต่อย่างเรามันเห็นได้เป็นเพียงพวกชั่วขนาดเพราะการฟังธรรม เพราะการเข้าใจทำชั่วระยะระยะนี่แหละที่เราสามารถที่เป็นละได้เป็นระยะระยะบ้างแต่มันไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่พระอริยะทั้งหลายเหล่านี้ท่านตัดมัจฉริยะได้เพราะยานปัญญาท่านขึ้นสู่โรกุตระธรรมใช่ไหมท่านสามารถประชุมโรกุตระธรรมได้ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยสามารถทําสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสมากรรมันตะสมาชีวะสัมมาวิมะสมมาสติสมาสมาธิแล้วก็กลุ่มนามธรรมทั้งหลายที่เป็นขันห้า ที่เป็นนามขันศีกของท่านน่ยสามารถยกระดับนามขันศีกของท่านน่ยไปไประชมในโลกุตระได้หนึ่งครั้งแล้วอลองคิดดูสิความจริงก็ปรากฏกับท่านเมื่อความจริงคื อ, คอโลกุตละรมปรากฏกับท่านเบ็ยเศแล้วท่านก็เข้าใจความจริงท่านไม่ต้องเชื่อผู้ใดแล้วใช่ไหมท่านก็มีทิฏฐิที่ตรงและมีศีลที่ตรงมีทิฏฐิที่ตรงแล้วท่านไม่ต้องไปฆ่าพระไม่ต้องไปทํามาตุวฆ า, า, า, า, า, oh าตปิตักฆาตอรหันตคาตโลหิตุบาทสังฆเพศอีกแล้วในสังสารวัตข้างหน้า แต่พวกเรายังไม่ปลอดภัยถ้าเราไปดูในทศวรยานของพระสาสดานเป็นไปได้เป็นไปได้นะปุรุนะชนที่จะทําปิดุคาสมาตุาาตาาคาตาหารตคาสโลหิตตุบาทและก็สังฆเพศแต่เป็นไปไม่ได้บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยศีลและทิฏฐิที่ตรงเป็นพระอริยบุคคลแล้วจกทาํามาตุคาสปิดุาาาคาสอาหรันตคาสโลหิตุบาทและสังฆเพศเพราะท่านเห็นตรงแล้วเห็นคล้อยตามคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่กลับมาแล้วท่านปิดอบายภูมิแล้ว แต่อย่างเราเป็นผู้ไม่แน่นอนนะวันนี้ศึกษาพระธรรมกันดีๆไปอีกวันหนึ่งล้วก็ไปนั่งฆ่ากันนะเนี่ยเพลเพยังไม่ทันข้าพบข้ามชาติก็จะฆ่ากันเน่ยยังไม่บางคนเนี่ยก็จะฆ่ากันแล้วเพราะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยร้ายกาจนะหมดเวลาแล้วพอที่ยังอาเสื้ผ้าเทีอ๋ อ, อยังอ่ะมาฮันาจมีอะไรเพิ่มเติมแถวเวทช่วงบ่าย เอามีใครจะถามอะไรไหมไม่ถามอะไรเดี๋ยวข อ, อสูตรสั้นๆอีกสูตรหนึ่งมาแสดงนะในชั้นคาสอนถ้าเราดูในทางด้านของทานานิสัง ส, สูตรพระบรมศา ส, สดาตรัสไว้บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอ น, นิสงส์แห่งทานหประการห ป, ประการเป็นไนผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก เห็นไหมการให้เป็นเป็นท right ี่ร <ique> ักเป็นข้อแรกที่พระบรมศาสดาตรัสไว้การการให้เนี่ยมีให้อะไรบ้างให้วัตถุทานได้เคยให้หรือยังอภัยทานให้หรือยังเนี่ยตรงนี้ไหมที่คนเราเนี่ยจะเป็นที่รักได้หรือไม่ได้มันขับเน้นถึงอภัยทานแล้วก็ธรรมทานนะไม่ใช่อู้ให้วัตถุแล้วจะเป็นที่รักของคนไม่จริงไม่จริงเสมอไปแต่อภัยทานต่างหากที่จะเป็นที่รัก คนบางคนทำไมเกิดมามีคนก็คนก็รักรักเขามากเพราะอะไรรูไ้ไหมเพราะอภัยทานท่านแข็งแรงอา น, นิสง์ของอภัยาทานเนี่อยอภัยทานคืออะไรถามบ อ, อกว่าอภัยาทานคืออะไรอยากถามหน่อยว่านั่งอยู่เนี่ยใครรู้จักอภัยาทานไหมถามใครดีอยอมบวรวาดก่อนดนะีก่อนเนอถามอภัยาทานอา้าวลุกมาหยิบไม้หน่อยเลืองหยิบไมให้ อยากดูหน่อยว่ารู้จักอภัยทานแค่ไหนอภัยทานก็หมายถึงเอให้อภัยเขาแล้วก็ให้เมตตาเขาไม่โกรธเขาเออมีอะไรเขาก็ไม่ไม่ถือสาอะไรเขาเ อ, อ่ะเขาถึงแม้เขาจะมาว่าเราอย่างไรเราก็ให้อภัยเขาเขามาโกรธเราเราก็ไม่โกรธเขาแล้วใ ห, ให้ให้ด้วยความเมตตาเขาก็คือไม่ไม่ ให้ทุกๆคนคือมีเมตตาจิตมีแผยเมตตาจิตให้ทุกๆคนนี่เป็นอภัยทานนะครับอ้าอันนี้นี่ตอบตอนนี้มุมยังไม่ได้สรุปประเด็นนะต่อไปที่ขยายต่อไปอส่งไม่ต่อไปยังให้ใครตอบอีกให้ใครนึกถึงใครอ่านึกถึงใครอ้าวอภัยทานในมุมของแอคือถ้ามี มีคนที่มาทำให้เราเดือดร้อนอย่างเช่นอย่างยุงอะคะ่ะเมื่อคืนนี้เ่เพิพ่งเกิดเมื่อคืนนอนไปแล้วหลับไปแล้วแล้วก็ยุงมากัดจนตัวเองตื่นแต่พอตื่นขึ้นแทนที่เราจะรีบรีบไปตบเขาก็มีความรู้มีความรู้สึกว่าออการให้เลือดเป็นทานอ น, นันเนี่ย เขามีวงจรชีวิตยังไงก็ไม่เกินเจวันแต่การที่เราได้ให้เลือดเขาเป็นทานสามารถต่อชีวิตที่เขาอยู่ได้แลวเขาก็มีอาหารทั้งที่เราก็กลัวว่าเราอ่ะจะได้รับเชื้อว่าเราจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าแล้วเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่กออ็สติมันก็คิดทันว่ายังไรเขาก็ต้องสิ้นลงด้วยกรรมของเขาภายในวงจรชีวิตเขา7วันก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตบเขา ก็เราก็ให้อภัยเขาที่เขาได้มาทาความลำคาญขณะที่เรากำลังจะนอนจนจนพอพิจารณาไปความโกรธที่จะไปตบมันมันก็หายไปแล้วก็ได้ได้คิดที่จะให้อภัยเขาอะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็นอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมานั่งทำสมาธิต่อค่ะนี <c oughs> <c oughs> ่คือเหมือนกับว่าเราไม่เรา <c oughs> เราคิดว่าเขามาเบียดเบียนโดยการเอาเลือด เอาทําให้อวัยวะเราเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับใช่หรือเปล่าแต่แทนแต่หนูไม่ได้โกรธเขาแต่หนูกลับมามองว่าการให้เลือด น, นั้นอย่างน้อยเขาก็ได้อาหารแล้วก็สุดท้ายยังไงเขาก็ต้องตายด้วยวิบ่าวของเขาเองภายในเจ ว, วันก็คือไม่มีจิตที่คิดจะโกรธเขาตอบอแล้วแล้วแล้วแล้ ว, ลวให้ภัยยุงแล้วเคยให้อภัยมนุษย์บ้างไหมเคยค่ะเคยค่ะแต่อันนี้เอาเรื่องไกลที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะพระอาจารย์ค่ะ แล้วหรืออย่างเช่นอย่างเรื่องของเราเจอเพื่อนร่วมงานอย่างเช่นเวลาเราไปส่งงานอย่างเงี้ยนะคะอย่างเวลาแอ้เคยส่งงานที่เป็นต้นฉบับแต่เมื่อเวลาสํานักพิมพ์หนึ่งเอาไปพิจารณาอย่างนี้เขาเอางานของเราเนี่ยไปรีไรซ์ไปเขียนโดยที่เขาไม่ตอบติดต่อกลับมาแล้ว เ, เ, เขียนแล้วโดยการจัดพิมพ์ออกไปโดยที่ก็ไม่ได้แจ้งความคืบหน้าว่า ต้นฉบับนั้นของเราได้ถูกตีพิมพ์ไหมแต่กลับไปเอาเป็นผลงานของของเขาเองออนีญญ่เป็นต้นใช่ใชค่ะเป็น<อ>ไม่ได้ขออนุญาตในขณะเดียวกันพอเราวันหนึ่งเราเห็นหนังสือมันพลด บ, บิชออกไปเราก็มีความรู้สึกว่าไม่จริงๆไม่ไม่ได้คิดโกรธเลยคะ่ะแต่มีความรู้สึกว่าดีจังเลยที่เขาเอาไปพิมพ์ถึงแม้ว่าไม่ใช้ชื่อของเราแต่งานนั้นนี่นนทําให้คนอื่นได้เห็นแล้วเราก็เกิดความรู้สึกรู้สึกว่าอะ เราโชคดีจังเลยที่เขาเอาของงานของเราเนี่ยไปพิมพ์ถึงแม้ว่าเขาไม่บอกเราชื่อของเรามันไม่ได้มีความสําคัญแต่สิ่งที่เราได้ให้เขานี่ยคือเราได้ให้ตัวอักษรได้ให้ความคิดแต่เขาเอาไปถ่ายทอดเรียบร้อยแล้วเราก็ให้อาภัยเขาว่าขอให้เขาเมีความจเจริญยิ่งขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่เขาได้เอาของเราไป แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําเองเราอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการพิมพ์ด้วยตัวของเราเองก็ได้ให้อภัยกับสิ่งที่เขาได้ทําแล้วก็อนุโมทนาที่คนอื่นได้มาเห็นค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่รู้จะเป็นอภัยทานได้หรือเปล่าได้หลายอย่างค่ะเออนี่เห็นไหมเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เลยใครคิดยังไงเลยใช่ไหมถ้าไม่มีการสอบถามเราก็ไม่รู้เลยในมุมมองแต่ละคนคิดยังไงเออ้าขอดูอภัยทานน่าจะให้ใครต่อมองหน้าอให้ <c oughs> อ๋อเอาเลยเ <c oughs> อาเลย <c oughs> อาก็พูดมาที่ อ, อะไรเลาสำหรับของโยมนี่รู้สึกจะอาการหนักหน่อยนะคัะ <c oughs> เพราะว่าในอดีตนี่เคยมีคู่เวนไม่ใช่คนเดียว้วย <c oughs> แล้วก็ทำความหายนะให้โยมมากมายแต่ว่าขนาดนั้นนะะ พูดง่ายๆว่าทำงานอยู่นี่เขาต้องการให้เราออกจากงานเนี้ยแต่โยมก็แปลกมีความคิดว่ายมไม่อยากขัดใจเพราะว่าถ้าเขาต้องการยังไงเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่อยากทำให้เขาลำบากใจไม่อยากต่อสู้ขึ้นศาลอะไรทั้งสิ้นมันมีความรู้สึกว่าเออเขาอาจจะสบายใจก็เลยเอ้าจุดลงเซ็นชื่อให้อย่างสบายทั้งๆ ท, งทงี่เราไม่ผิดคือมันการโต้ตอบมันเกิดขึ้นมาโ ด, โดยที่ใจเราเนี่ยคิดว่า อาจจะทําให้เขาสบายใจก็ได้การเป็นการเป็นอยู่ของเราในที่นั้นเนี่ยทั้งทงที่เราทําคุณประโยชน์ไว้ให้เขามากมายถ้าเราคิดไปเนี่ยเราเป็นคนที่เรียกว่าไม่คนสระแต่ว่ามันคิดขึ้นมาได้เองและตอนหลังก็แต่ขณะนั้นไม่ได้เรียนธรรมะเลยอ hmm. ก็ได้ฟังมานิดหน่อยเท่านั้นเอง hmm. แต่ก็มันมีความรู้สึกว่าเออเขาอาจจะชอบใจสบายใจในการที่เป็นอยู่อย่างนั้นได้ hmm. ก็โอเคเซนชื่อให้ออกเลย แล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็ยังรู้อยู่ว่าจิตใจเรามีหวั่นไหวเพราะมาเรียนมาเรียนธรรมะตอนนี้เราจับได้ว่าจิตเราก็ไม่ใช่กุศลแล้วล่ะพูดง่ายๆเราก็กระทบเหมือนกันแต่แต่ว่าพอมาเรียนธรรมะเข้าก็รู้ว่าออแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นศัตรูกันก่อเวรกันคโคดกงเรามาตลอดเนี่ยเขาตายเนี่ยยมก็ทาใจได้ยมไป ไปงานศพเา้าปฏิบัติการได้อย่างดีซึ่งมีคนอื่นเขาว่าโยมด้วยซ้าว่าไปทําไมกัน <c oughs> คือมีคนว่าโยมเยอะเลยที่ว่าโยมไม่ควรไป <c oughs> อะไรแบบเนี้ยไม่ควรไปช่วยอะไรแบบเนี้ย <c oughs> แต่โยมทําได้แล้วก็แล้วก็ขึ้นขนาดนั้นก็ไม่รู้ธรรมะเท่าไหร่อีกแหะแต่ตอนนี้พอมาเปรียบเทียบขณะที่ไม่รู้เนี่ยกับขนาดนี้ที่รู้เนี่ยขนาดนี้ที่รู้เนี่ยยกโอโหสิกรรมให้หมดเลย เจ้ากรรมในเวรทุกวัน <erved interrupted S 2> ซึ่งอาจจะคิดว่ามันเป็นการอภรัยในสิ่งที่แม้กระทั่งสมบัติทุกอย่างที่เขาเอาไปเนี่ยยกให้เป็นของสาธ า, ารณะไปโยมก็พยายามทําใจอจังหวะเรามองคําว่าอภายานนัยทานนะอภัยทานจริงๆกว้างกว้างกว่าที่เราพูดกันมานี้ด้วยเนาะแต่จริงๆอันนั้นก็คือมุมมุมเอาอภัยทานถ้าในชั้นของอภัยทานเนี่ยท่านหมายความว่าป้องกัน โดยความป้องกันจากภัยที่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายเช่นสัตว์ทั้งหลายนะที่จะได้รับภัยจากพระราชาภัยจากโจรภัยจากน้ำจากไฟจากศัตรูภัยต่อสัตว์ร้ายภัยจากการที่เขาจะเกิดความเดือดร้อนทั้งหลายก็ป้องกันแนะนําป้องกันช่วยเหลือเจือจุนทั้งหลายเป็นอภัยทานหมดลืนั้นอภัยทานนั้นจริงๆความกว้างมากๆ ยิกินความกว้างมากๆแต่ที่เราอย่างนั้นก็จัดอยู่เพราะเราก็ให้ความปลอดภัยในในยุงตัวนั้นให้ความปลอดภัยแก่คนๆนั้นนะแต่โดยโดยความกว้างขวางของอภัยทานก็คือว่าจัดแจงหาวิธีการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นได้รับพยันอันตรายภัยจากน้จาจากไฟจากลมใช่ไหมที่เกิดอุทกภัยวารภัยอาคีภัยเนี่ยจระภัยเนี่ยราชาภัยทั้งหลายเหล่านี้เนะี แล้วก็ป้องกันช่วยป้องกันต่างๆเหล่า น, นี้นี่ก็เรียกว่าเป็นอภัยทานคือการให้ความปลอดภัยให้ความปลอดภัยอย่างประเด็นที่ผู้ที่ดูแลความเจ็บป่วยไข้ของพระภิกษุนะคะเห็นว่าอันนี้จะเป็นการรักษา ขันท่าของท่านก็ได้ดูแลนะคะอย่างโูคศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ดูแลครูบาอาจารย์เนี่ยถ้ามองก็สามารถลงในข้อนี้ได้เหมือนกันนะจ๊ะให้ามปลอดภัยให้ความปลอดภัยในชีวิตที่จะที่จะได้อยู่ในเวลาอันควรอะไรเงี้ยนะจ๊ะค่ะก็เรียกว่าสมพระได้กว้างขวางมากนะจ๊ะค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเลย ใช่ไมเป็นอภัยทานจัดจัดลงแล้แม้กระทั่งการที่ที่เกิดเหตุการณที่ญี่ปุ่นแล้วคุได้ไปช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะทั้งเรียกว่าเกิดแล้วไปการได้อนุเคราะห์เพื่อยังชีวิตของเขาให้เป็นไปใช่ไหมจ้าค่ะก็ถือก็ถือว่าสงเคราะห์ได้ใช่ไหมจ้าค่ะคือช่วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เจอภัยเหล่านั้นอีกเพื่อจะป้องกันไม่ท่านประสบภัยเพศภัยเหล่านั้น ใช่ใช่ใช่โดยมากเหมือนเหมือนเหมือนเราไปเขียนว่าเขตอภัยทานอย่างเงี้ยเขตอพัยทานคือเขตป้องกันเขตป้องกันป้องกันว่าใครอย่ามาเบียดเบียนสัตว์ตรงนี้นะที่จริงคำว่าเขตอภัยทานเนี่ยต้องตั้งทั้งโลกต้องเขียนป้ายประกาศทั้งโลกว่าโลกใบเนี้ยควรเป็นเขตอภัยทานไม่ควรเบียดเบียนกันทุกชนิดใช่ไหม ควรจะมีการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมงั้นพระบรมศาสดาเนี่ยพระองค์ตั้งคำสอนปักประกาศทั้งสากลจักรวาลด้วยซ้ำไปว่าเป็นเขตอภัยทานแต่ว่าคนไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมคาสอนของพระศาสดาฉะนั้นการให้ลักษณะอย่างนี้แหละย่อมเป็นที่รักย่อมเป็นที่รัก เมตตาที่ไม่มีประมาณนะเมตมมมตาด้วยมีปมมัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเป็นต้นด้วยเมตตามีปัญญานำนั่นเองนะเมตตาที่มีปัญญานำาน้นนทานนที่จริงประเด็นเมื่อกี้ถามโยมพิชยาหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมแมให้ตอบเล ย, ยนะเล่นเล่นเขาตอบคำตอบไปหมดแล้วนี่สบายเลยเีย คือคือเคยตอนนั้นยังไม่เรียนเรียนธรรมะแต่ตอนทํางานเนี่ยโกรธเพื่อนมากแต่ตอนหลังตอนโกรธนี่แม่แต่หน้าแม้แต่ชื่อก็ฟังไม่ได้พูดไม่ได้ <c oughs> แต่ตอนหลังมันเกิดมาเองว่าหายไปใครจะพูดถึงเขาก็ได้เราฟังได้ใจเฉยมากดูใจแล้วว่าเฉยมากแม้แต่ตอนหลังนี่เจอเขายังชวนเขากินข้าวได้ นี่เอาพยาธิหรือเปล่านี่ให้ความปลอดภัยเขาเอ้ามีใครบ้างอ่ะเอ้าเอ็กเฮ้ยเพดแล้วเจ้าค่ะ ตรงนี้นะถ้าหากในด้านของอภัยทานเนี่ยอภัยทานเนี่ยก็คือที่กล่าวเป็นหลักไว้นในรายละเอียดท่านทั้งหลายก็ไปแจกแจงนะไปแจกแจงนะว่า เกี่ยวกับกรณีาการป้องกันให้พน้พนจากราชภัยโจรภัยอัคคีพัยวารภั ย, ภยอุทกภัยทั้งหลายเป็นต้นการที่เราช่วยป้องกันช่วยแนะนําหรือว่าช่วยบอกกล่าวในการที่จะให้พ้นภัยต่างๆหรือมีการที่จะวางแผนหรือคอยช่วยเหลือป้องกันแม้แต่กรณีบุคคลที่เป็นมีหน้าที่เป็นยามเป็นอะไรเนี่ย ในกรณีที่ว่าเออเราจะป้องกันความปลอดภัยให้กับใครทั้งหลายเป็นอรภัยทานนัเนี่ยตรงนั้นเนี่ยต้องให้เขาเข้าใจจริงจริงก็ควรขับเน้นให้บุคคลเหล่านี้เข้าใจว่าผลนั้นมีหาประมาณมิได้เป็นต้นด้วยนะ mm hmm. ส่วนธรรมทานเนี่ยได้แก่การให้พระธรรมที่ไม่วิปลิตให้ธรรมะที่ถูกต้อง mm hmm. แก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองแก่ผู้มีจิตที่ไม่เศร้าหมอง mm hmm. แล้วทาไมจึงไม่ให้ธรรมะแก่บุคคลที่มีจิตเศร้าหมอง คนโกรธนี่ห้ามแสดงธรรมบอกคนกําลังโกรธ อ, อยู่ไม่รู้จะแสดงอะไรใช่ไหมคนถือไม้คนถืออาวุธ <c oughs> พระเจ้าห้ามแสดงธรรมนะห้ามแสดงธรรมแก่ บ, บุคคลถือไม้พองอยู่ในมือถืออาวุธอยู่ในมือแสดงธรรมไม่ได้ <c oughs> หรือบุคคลที่อยู่ในที่สูงอะไรต่างๆเป็นตอนนี้ <c oughs> เป็นโทษของของการแสดงธรรม การชี้แจงประโยชน์ที่สมควรนําผู้ยังไม่เข้าถึงศาสนาของพระชินเจ้าให้เข้าถึงศาสนาเพื่อความเจริญงอกงามแนะนําทิฏฐธรรมิกาทบประโยชน์สัมปรายิกาทบประโยชน์ในการแสดงธรรมนีตรงนี้ก็คือท่านก็เลยบอกว่าเริ่มตั้งแต่ทานากถาศีรกถาสักสาขะคาถากามาทีนวะคถ า, าเนคคำมานิสังสากคถ า, าแล้วก็สรุปลงในอริยสัจเจตธรรมทั้งสี่โดยพิสดาร นั่นเรียกว่าการให้ธรรมะทา น, น, นการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานก็ต้องให้ส่วนที่ไม่วิปริตจากพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเป็นต้นด้วยนี่สมควรเก่เวลาอย่างนะสมควรสาธุ